ธรรมบทแปลเรื่องที่95เรื่องพรามชื่อจุเลกัสาดกภาคที่หเรื่องที่หนึ่งของวรที่9ป้าปวัควัณน า, นาข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบพรามชื่อจุเลกัสาดกตรัสพระธรรมเทศนานิว่าอภิรธรีธ กัลยาณหน่วยเป็นต้นตอนพราหมและพราหมณีปลัดกันไปฟังธรรมความพิสดารว่าในการแห่งพระวิปัสสีทศพลได้มีพราหมคนหนึ่งชื่อมหาเอกษาดกแต่ในการนี้พราหมนี้ได้เป็นพราหมชื่อจุลเลกษาดกในเมืองสาวัตถีก็ภาษาดกสําหรับนุ่งของพราหมนั้น ได้มีผืนหนึ่งแม้ของพรหมณีก็ได้มีผืนหนึ่งทั้งสองคนมีผ้าห่มผืนเดียวเท่านั้นในเวลาไปภายนอกพราามหรือพรรมณีย่อมห่มผ้าผืนนั้นภายหลังวันหนึ่งเมื่อเขาประกาศการฟังธรรมในวิหารพราามกล่าวว่านางเขาประกาศการฟังธรรม เจ้าจักไปสู่สถานที่ฟังธรรมในกลางวันหรือกลางคืนเพราะเราทั้งสองไม่อาจไปพร้อมกันได้เพราะไม่มีพระหม่มพระมณีตอบว่านายฉันจักไปในกลางวันแล้วได้ห่มผ้าสาดกไปตอนพราหมณ์คิดบูชาธรรมด้วยผ้าสาดกที่ห่มอยู่ พรามยับยั้งอยู่ในเรือนตลอดวันต่อกลางคืนจึงได้ไปนั่งฟังธรรมทางด้านพระพักพระศัส ด, สดาครั้งนั้นปีติห้าอย่างทราบซ่านไปทั่วสรีระของพรหมามนั้นเกิดขึ้นแล้วเขาเป็นผู้ใกล้ะบูชาพระสัส ด, สดาคิดว่าถ้าเราจะถวายผ้าสาดกนิสซยผ้าห่มของนางพระมณีจะไม่มี ของเราก็จะไม่มีขณะนั้นจิตประกอบด้วยความตรณีพันดวงเกิดขึ้นแล้วแก่เขาจิตประกอบด้วยศรัทธาดวงหนึ่งเกิดขึ้นอีกจิตประกอบด้วยความตรณีพันดวงเกิดขึ้นครอบงำศรัทธาจิตแม้นั้นอีกความตรณีอันมีกำลังของเขาคอยกีดกันศรัทธาจิตไว้ดูด จ, จับมัดไว้อยู่เดียว ด้วยประการชนีตอนชนะมัชเชรจิตด้วยศรธจจิตเมื่อเขากำลังคิดว่าจากถวายจากไม่ถวายดังนี้นั่นแหละปฐมยามล่วงไปแล้วแต่ครั้นมัชฌิมยามเขาไม่อาจถวายในมัชฌิมยามแม้นั้นได้เมื่อถึงปัจฉิมยามเขาคิดว่าเมื่อเรารบกับัทธาจิต และมัดเฉรจิตอยู่นั่นแลสองยามล่วงไปแล้วมัดเฉรจิตนี้ของเรามีประมาณเท่านี้จเจริญอยู่จากไม่ให้ยกศรีรษะขึ้นจากอบายสี่เราจะถวายผ้าสาดกหละเขาข่มความตรณีตั้งพันดวงได้แล้วทำศรัทธาจิตให้เป็นปุรรจาริกถือผ้าสาดกไปวางแทบบาดมูล ของพระศัสดาได้เปล่งเสียงดังขึ้นสามครั้งว่าข้าพเจ้าชนะแล้วข้าพเจ้าชนะแล้วเป็นต้นตอนท่านของพราหม์ให้ผลทันตาเห็นพระเจ้าประเสณทิโกศนกําลังทรงฟังธรรมได้สดับเสียงนั้นแล้วตรัสว่าพวกท่านจงถามพราหม์นั้นดูแต่ยินว่าเขาชนะอะไร ปรามนั้นถูกพวกราชบรุษถามได้แจ้งความนั้นพระราชาได้สดับความนั้นแล้วทรงคิดว่าปรามทำสิ่งที่บุคคลทาได้ยากเราจักทาการส่งเคราะห์เขาจึงรับสั่งให้พระชาทานผ้าสาดบกคู่หนึ่งเขาได้ถวายผ้าแม้นั้นแด่พระตถาคตเหมือนกันพระราชาจึงรับสั่งให้พระชาทาน ทำให้เป็นทวีคูณ อ, อีกคือสองคู่สคู่8คู่16คู่เขาได้ถวายผ้าแม้เหล่านั้นแด่พระตถาคตนั่นเทียวต่อมาพระราชารับสั่งให้พระราชทานผ้าสาดก32คู่แก่เขาพรามเพื่อจะป้องกันวาทาว่าพรามไม่ถือเอาเพื่อตนสละผ้าที่ได้แล้วได้แล้วเสียสิ้น จึงถือเอาผ้าสาดกสองคู่จากผ้าสามสิบสองคู่นั้นคือเพื่อตนหนึ่งคู่เพื่อนางพระมณีหนึ่งคู่ได้ถวายผ้าสาดกสามสิบคู่แด่พระต ถ, ถาคตเตียวฝ่ายพระราชาเมื่อพรามนั้นถวายถึงเจ็ดครั้งได้มีพระราชประสงค์จะพระราชทานอีกพรามชื่อมหาเอกสาดกในการก่อน ได้ถือเอาผ้าสาดกสองคู่ในจํานวนผ้าสาดก64คู่ส่วนพราหมณ์ชื่อจูเลกาสาดกนี้ได้ถือเอาผ้าสาดกสองคู่ในเวลาที่ตนได้ผ้าสาดก32คู่พระราชาทรงบังคับพวกราชบริวรว่าพนายพราหมณ์ทําสิ่งที่ทําได้ยาก ท่านทั้งหลายพึงให้นำเอาผ้ากําพลสองผืนภายในวังของเรามาพวกราชบรุษได้กระทำอย่างนั้นพระราชารับสั่งให้พระราชทานผ้ากําพลสองผืนมีค่าแสนหนึ่งแก่เขาพระรามคิดว่าผ้ากําพลเหล่านี้ไม่สมควรแต่ต้องที่สรีราของเราผ้าเหล่านั้นสมควรแก่พระพุทธศาสนาเท่านั้น จึงได้ขึงผ้ากำพลผืนหนึ่งทำให้เป็นเพดานไว้เบื้องบนที่บรรทมของพระสัสดาภายในพระกันท ก, กุดีขึงผ้าผืนหนึ่งทำให้เป็นเพดานในที่ทำพัตกิจของภิกษุผู้ฉันเป็นนิดในเรือนของตนในเวลาเย็นพระราชาเสด็จสู่สำนักของพระศัสดาทรงจำผ้ากำพลได้แล้วทูลถามว่า ใครทำการบูชาพระเจ้าค่าเมื่อพระศัสดาตรัสตอบว่าพรามชื่อเอกสาดกดังนี้แล้วทรงดำริว่าพรามเลื่อมใสในฐานะที่เราเลื่อมใสเหมือนกันรับสั่งให้พระราชทานหมวดสี่แห่งวัตถุทุกอย่างจนถึงร้อยแห่งวัตถุทั้งหมดทาให้เป็นอย่างละสี่แก่พรามนั้น หังนี้คือช้างสี่ม้าสี่กะหาปนะาสี่พันสตรีสี่ทาสีสี่บุรุษสี่บ้านสวยสี่ตำบลตอนรีบทมกุศลมีผลดีกว่าทชาช้าภิกสูตรทั้งหลายสนทนานกันในโรงธรรมว่าแม้กรรมของพราหมณ์ชื่อจุลกสาดกน่าสจั์ชั่วครู่เดียวเท่านั้น เขาได้หมวดสี่แห่งวัตถุทุกอย่างกมงามอันเขาทําในที่อันเป็นเนื้อนาในบัทนี้นั่นแลให้ผลในวันนี้ทีเดียวพระศัสดาสเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบทนี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเล่าเมื่อภิกษุกราบทูลว่าด้วยคาถาชื่อ น, นี้พระเจ้าค่าตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายถ้าเอากสสาโดกนี้จะได้อาจเพื่อถวายแก่เราในปฐมยามไซเขาจะได้สภวัตถุอย่างละส6ถ้าจะได้อาจถวายในมัชชิมยามไซเขาจะได้สภวัตถุอย่างละ8ปแต่เพราะถวายในเวลาจจนใกล้รุ่งเขาจึงได้สภวัตถุอย่างละสี่แท้จริง กรรมงามอันบุคคลผู้เมื่อกระทําไม่ให้จิตที่เกิดขึ้นเสื่อมเสียควรทําในที่นั้นเองด้วยว่ากุศลที่บุคคลทําช้าเมื่อให้สมบัติย่อมให้ช้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นพึงทํากรรมงามในลำดับแห่งจิตตุปปาบาททีเดียวเมื่อทรงสืบอนุสนรีแสดงธรรมจึงตรัสประกาฐานี้ว่า อิเทเรตกัลยาเนปาปาจิตังนิวารเยดันทังหิกรตโตปุญญังป้าปัสมิงรมติมโนติบุคคลพึงรีบขวนขวายในความดีพึงห้ามจิตเสียจากความชั่วเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในความชั่วแก้อ บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอภิเทเรธะความว่าพึงทำด่วนด่ว น, วนคือเร็วเว็จริงอยู่กระหัดเมื่อจิตเกิดขึ้นว่าเราจะทำกุศลบางอย่างในกุศลทานทั้งหลายมีถวายสละกพัฒ์เป็นต้นควรทำไวๆทีเดียวโดยคิดว่าเราจะทำก่อนเราจะทำก่อน โดยประการที่ชนเหล่าอื่นจะไม่ได้โอกาสฉะนั้นหรือบรันรพชิตเมื่อทำวัดทั้งหลายมีอุปชั ย, ยวัดเป็นต้นไม่ให้โอกาสแก่ผู้อื่นควรทำเร็วๆทีเดียวโดวยคิดว่าเราจะทำก่อนเราจะทำก่อนสองบทว่าป่าป่าจิตตังความว่าก็บุคคลพึงห้ามจิตจากบาปกรรมมีกายทุจริต เป็นต้นหรือจากอากุศลจิตตุปปาทในที่ทุกสถานสองบทว่าดันทางหิกระโตวความว่าก็ผู้ใดคิดอยู่อย่างนี้ว่าเราจักให้จักทำผล น, นี้จักสาเร็จแก่เราหรือไม่ชื่อว่าทำบุญช้าอยู่เหมือนบุคคลเดินทางลื่นความชั่วของผู้นั้นย่อมได้โอกาส เหมือนมาเจริจิตพันดวงของพระรามชื่อเอกสาดกฉะนั้นเมื่อเช่นนั้นใจของเขาย่อมยินดีในความชั่วเพราะว่าในเวลาที่ทำกุศลกรรมเท่านั้นจิตย่อมยินดีในกุศลกรรมผลจากนั้นแล้วย่อมน้อมไปสู่ความชั่วได้แท้ในการจบคาถาชวนเป็นอันมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปฏิผลเป็นต้นทั้งนี้แลเรื่องพรามชื่อจูเลกสาดกจบ